หมดอายุขัแล้วแต่ชนีสมชายของหลวงพ่อเนี่ยโอ้นานเลยท่านเออมันยังร้องมันยังหอยหวยโหนโจนทยานดูจนบนยอดไม้ได้อยู่อหลวงพ่อดูๆแล้วมันเป็นสิบสิบปีเหมือนกันนะนี่แหละแต่ละสัตว์นี่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันอีกท่านว่าสมัยนั้นท่านมีอายุยืนถึงเป็นเป็นแสนปี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 สงส่ฝ่ามือโอ้เราในแก่แล้วไม่รู้ว่าอันนี้บอกถึงความแก่แล้วถ้าคนไม่แก่ผมผมจะไม่หงอกแต่นี่เราแก่แล้ว mm hmm. จากนั้นพระองค์บอกว่าอืมเราคงจะ ส, สระราช ส, สมบัติเราไม่ควรจะหมกหมมุ่นวายอยู่กับชีวิตคารวาตเพราะชีวิตของคารวัตไม่รู้ว่า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 จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้มอบพระาชสมบัติให้แก่ลูกชายคนโตเออลูกนะพอจะได้ออกบวชแล้วนะก็มอบลูกมอบพระราชสมบัติให้ลูกชายคนโต่วนพระ อ, องค์ก็เป็นบวชเป็นฤาษีไปอยู่ในอุทยานาไปอยู่ในอุทยานดูในความสงบของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็บำเพ็ญเรื่องศีลสมาธิบาเพ็ญฌาน จนได้ฌานสมาบัติจะว่ามีอิทธิฤทธิ์หอกเหินเดินฟ้าได้ลักษณะอย่างนั้นน่ะท่านไปพรมปังเพลนอยู่ในในอุทยานของท่านจากนั้นท่านก็สวรรคตในเพศฤาษีจากนั้นก็ท่านก็ขึ้นไปสู่พรหมโลกพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าน่ะเรื่องในนิทานหรือกาชานดกในเรื่องนี้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 เข้าไขา่ปฏิจจสมุปาต์อวิชชาปัจจญาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจญาวิญญาณนังวิญญาณปัจจญานามารูปังจนถึงโศกปริเทวุทุกขโทมณสุอุปายาตพวกเราร้องให้พิไรรำพันโศกเศร้าโศกาดูนทุกวันนี้มาจากไหนมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาคือความโง่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 แต่พวกเราท่านทางหลายนึกดูให้ดีก็แล้วกันหลวงพ่ออินหงอกมารวกกี่เส้นเหมือนกันนะหลวงพ่อจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามค ว, วามดีหลวงพ่อจะทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นแนะนำสิ่งนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องในสิ่งนั้นเพราะว่าเราจะอยู่นานสักเท่าไหร่จากนี้ไปไม่นานสรุปแล้วหลับพรอนุมโมทนาให้พร